สายพุทธการนะมีพระรูปหนึ่งชื่อพระติสะอะติานี่เป็นชื่อสามมันนะในสายพุทธการนี่มีพระติสานี่เยอะนะหลายลรูปรุนนี้วันหนึ่งท่านก็ไปในช่างคนหนึ่งนะเป็นเป็นช่างเกี่ยวเรื่องเจรไนแก้วมีฝีมือดีมากนะชื่อมณีการก็ลองที่สนทนาอยู่ก็มีมหาเล็กจ้าของพระเจ้าประสิทธิโกฤลมาแล้วก็นําแก้วเนื้อดีนะ พระเจ้ป็นธสนเนี่ยให้ให้นายมณีการนี่แหละช่วยเจรไนช่วยเจรไนรเพราะบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยนายมณีการเนี่ยมือเนี่ยเปื้อนนะเขาจะคงกําลังทันผักทําครัวแล้วมันก็มือเปื้อนเลือดนะก็ยังรับแก้วไม่ได้ก็ให้วางไว้วางให้บนเขียงอันนะส่วนตัวก็ไปล้างมือระหว่างนั้นเนี่ยมันมีนกกระเรียนนะเขาจะแกะของเลี้ยงเอาไว้นะนกกระเรียน เดี๋ยวนี้คนสมัยนี้คงไม่เคยเห็นนกกระเรียนอะไกันแล้วนกกระเรียนนี่มันเห็นแก้วมันก็นึกว่าเป็นอาหารมันก็เลยนะกินแล้วก็กลืนเข้าไปต่อหน้าพระติสะเลยนะพระติสาคงไม่ทันห้ามพอนายมณีการออกมาไม่เห็นแก้วก็คงเป็นเพชพรพลอยอย่างหนึ่งนะก็เลยถามว่าหายไปไหนไอ้แก้วเนี่ยพระติสาเนี่ยไม่กล้าบอกความจริง เพราะจะบอกความจริงว่านกกระเรียนเอาไปเนี่ยมันีการคงจะฆ่านกกระเรียนนั้นนะก็เลยอบอกว่าไม่รู้มันีการนี่ก็เกิดระแวงสงสัยว่าสงสัยเนี่ยพติสานี่แลอวไปเพราะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยถามพระติศาก็ปฏิเสธมันีการก็เลยมัดนะมัดพระติสล้วต้องการจะเข้นความจริงก็เอาไม้นี่มาฟาดนะ เอาไม้นี่มาฟาดฟาดจนกระอักเลือดเลยนะเลือดนี่ไหลออกมาทางตาทางหูทางจมูกคงทางปากนี่แหละทุกทวารฟาดแรงมากนี่ขนาดคนรู้จักกันนะยังทําขนาดนี้ช่วงที่พร <Yeah. S 1> ะติส า, านี่กระอักเลือดเนี่ยเลือมก็มามากองอยู่บนพื้นนกกรเรียนเนี่ยมันเห็นเลือมก็เข้ามากินเลือดนายมนีการก็เลยเตะนกกระเรียนอย่างแรงนกกรเรียนตายพระติส า, าก็เลยบอก นายมณิกาลเนี่ยนกกระเรียนตัวนี้แหละมันกินแก้วเข้าไปมณีกาลก็เลยผ่าทองดูเพราะว่าเจอจริงนะแก้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยทําผิดไปนะไปทําร้ายพระติสะก็เลยขอโทษขอโพยแต่ว่พระติสานี้ก็เลวานุ่มเลยนะอันนี้ก็เป็น เ, เป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะที่เชื่อถึงเมตตาของพระติสาะนะถ้าท่านยอมทรมานยอมทุกข์นะ ก็เพื่ อ, อรักษาชีวิตนะของนกกระเรียนเอาไว้นะท่านบอกความจริงนกกระเรียนก็ต้องตายะก mm hmm. ารบอกความจริงว่านกกระเรียนเอาไปเนี่นะและทําให้นกกระเรียนตายมันไม่ได้ผิดศีลนะไม่ได้ปฏิบัติบาศหรือไม่ได้มีสวนในการฆ่า mm hmm. ท่านก็คงรู้ว่ามันไม่ได้ผิดศีลหรอกถ้าบอกความจริงแต่ท่านมีเมตตามากนะไม่อยากจะให้นกกระเรียนตา ย, mm hmm. ตายท่านก็ยอมที่จะรับความเจ็บปวดเสียเอง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 เพิ่งคลอดลูกนะเพิ่งออกลูกนะลูกยังตัวเล็กอยู่เลยแต่แม่เสือเนี่ยหิวโหยมากเนะห็นลูกเนี่ก็อยากจะกินลูกเป็นอาหารฤศีก็สงสารลูกนะก็เลยบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไปตามไปหาอาหารมารออยู่นาะลูกศิษย์ก็ไม่มาสักทีแล้วก็เสือเนี่ยมันก็ทําท่าจะคํามัํานะลูกของมันจริงๆท่านทํายังไงรู้ไหมท่านก็เดินลงไปที่ช่งงองน่องผาเลยนะเพื่อเป็นอาหารให้กับแม่เสือ แม่เสือมันเห็นคนตกลงมามัน yes, ก็เลยก็เลยกินซะเลยนะลูกเสือก็เลยรอดตายนะอันนี้เป็นการช่วยชีวิตลูกเสือไว้ทําด้วยอะไรทําท่านทําด้วยจิตที่มีเมตตามากนะทําด้วยจิตที่มีเมตตามากพร้อมที่จะสละชีวิตนะอันนี้ก็เรียกการบําเพ็ญทานนะเป็นทานที่เรียกว่าเป็นปรมัาธบารมีเลยคือการสละชีวิตสละร่างกายเป็นทานนะถ้าสละอวัยวะนี่ก็เรียกว่าทานขั้นอุปบรมี ถ้าสละสิ่งของก็เรียกว่าทานเฉยๆนะทานบารมีนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ถือว่าปรมัทธบารมีนี่เป็นการบาเพ็ญบารมีอันอุกฤษนในสมัยคนแต่ก่อนเนี่ยเขามีความเมตตากรุณาไม่เฉพาะคนด้วยกันนะแม้กระทั่งสัตว์นะก็ยอมสละชีวิตหรือว่ายอมเจ็บยอมปวดยอมทุกข์ยากได้หลวงพ่อโตนเนี่ยนะท่านก็มีเรื่องทานองนี้นะมันหนึ่งท่าน อจาริกเข้าไปในป่าสมัยก่อนนี่สมัยตอนที่ท่านจะเป็นสมเด็จพระพุทธเาจาย์เนี่ยนะท่านก็ชอบจาริกนะครั้งหนึ่งก็จาริกไปก็ไปเห็นนกกระเรียนเนี่ยมันถูกดักเอาไว้ถูกมันติดแล้วนะมันก็ร้องนะขอความช่วยเหลือท่านเห็นนั้นก็เลยช่วยปล่อยนะให้นกกระเรียนให้เป็นอิสระแล้วท่านทํำยังไงต่อนะท่านก็เอาเอาขาเนี่ยใสย่ก็ไปในในบ่วงในในแล้วแทนรอจกนกระทั่งนายพรานมาเห็น นะท่านทำอย่างนั้นทำไมนะท่านทำก็เพราะว่าท่านเห็นว่าอาท่านปล่อยนกกระเรียนไปเนี่ยเหมือนก็ไปปล่อยทรัพย์สมบัติของเขาท่านก็ต้องรับผิดชอบนะต้องรับโทษนะก็เลยเอาตัวเนี่ยนะรับโทษแทนแทนนะจึงเอาเท้าเนี่ยเข้าไปในบ่วงแทนนกกระเรียนในพรานมาก็เลยถามว่าทำไมทำอย่างนั้นท่านก็อธิบายอย่างที่ว่ามาเนี่ยในพรานก็รู้สึกผิดนะอ่ที่จริงท่านก็คง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 หรือน้อยได้อนิสงฆ์มากหรือน้อยนทําบุญกับศัก์ได้หนึ่งทำบุญกับคนได้ร้อยงั้นทําบุญกับคนดีกว่าทําบุญกับคนได้ร้อยแต่ทําบุญกับพระโสดาบันได้หมื่นได้แสน ง, งั้นทําบุญกับพระโสดาบันดีกว่าคือพยายามคิดนะพยายามคิดตลอดเวลาคํานวณตลอดเวลาว่าทําบุญอย่างนี้เราจะได้บุญแค่ไหนไม่ต่างจากการซื้อหุ้นเลยนะซื้อหุ้นตัวไหนถึงจะได้ผลตอบแทนสูงอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะที่จะต้องมาคํานวณว่า ทำอย่างนี้แล้วจะได้บุญเข้าตัวเท่าไรนะแต่ว่าชาวผู้จำนวนมากเนี่ยมีความเข้าใจแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยไม่ค่อยทำบุญกับสัตว์เท่าไหร่นะเพราะเห็นว่ามันได้อ น, นิสงส์งน้อยกว่าทำบุญกับคนบางทีทำบุญกับคนด้วยกันก็ยังไม่ค่อยทำนะคิดแต่จะทำกับพระอรหันต์เพราะได้บุญมากกว่าอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทาเพราะความมีเมตตากรุณานะแต่ทาเพราะกิเลสนะ ทำบุญเนี่ยถ้าทำด้วยกิเนเหรเนี่ยมันได้บุญน้อยนะทำบุญด้วยกิเนเหรคือทำแล้วคิดว่าฉันจะได้อะไรฉันจะได้เท่าไหร่นะฉันจะได้บุญกี่หน่วยนะเอาบุตรญมากๆไปทำอะไรนะก็จะได้ร่ํารวยจะได้อ่ามีโชคมีลาบนะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะนกลายเป็นคล้ายๆอ่าคล้ายๆครูปองนะสะสมมากแล้วก็ไปแลกของได้ถ้าสะสมได้ร้อยใบก็แลกตู้เย็นได้ได้ไดแลก โทรทัศน์ได้นะหรือเหมือนกับบุญเนี่จะเหมือนกับสแตมเซเก็ได้นะสะสมเยอะๆแล้วไปแลกของได้นะคนไทยเดี๋ยวนี้ทําบุญเนี่ยด้วยความรู้สึกแบบนี้คือทําเพื่อที่จะได้นะได้ผลตอบแทนดีเยอะนะก็เลยไม่ทําบุญกับสัตว์นะแต่ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยพระพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ดีนะีหรือว่าพระในสถาบัน ก, ก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งพระที่เป็นเกจิอาจารย์มี คุณธรรมนี่ท่านท่านไม่สนใจนะว่าเป็นคนหรือสัตว์ถ้าเดือดร้อนต่อหน้านะท่านก็ช่วยใช่ว่าจะยอมตายเฉพาะยอมตายเพื่อลูกยอมตายเพื่อคนเท่านั้นนะถ้าจําเป็นก็ยอมตายเพื่อสัตว์ก็ได้และการทําเช่นนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นการใช้กรรมนะันเดี๋ยวนี้คนไทยเราเนี่ยเวลาใครเสียสละนะ เสียสละดูแลสามีที่ป่วยดูแลภรรยาที่เตียงหรือว่าดูแลแม่ที่เป็น Alzheimer. อัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้บางคนนะก็จะบอกว่าเนี่ยเขากาลังใช้กรรมไอ้ที่ใช้กรรมนี่ไม่ใช่คนป่วยนะหมายถึงคนที่ดูแลนะไปบอกว่าเนี่ยเขากำลังใช้กรรมนะถึงลําบากจริงนันไม่ได้ใช้กรรมนะเขากําลังทําความดีเขากําลังบําเพ็ญบารมี เกี่ยวกับกที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านโดดลงไปให้เสือกินเนี่ยไม่ได้ใช้ก ร, รนะไม่ได้มีไม่ได้ทำกรรมอะไรไว้กับเสือตัวนั้นนะชาตินี้ก็เลยต้องมาต้องมาตายแทนลูกเสือไม่เกี่ยวกันเลยนะท่านทำเพื่อเพราะเป็นการเป็นความเพราะต้องการช่วยอันนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีนะอย่าไปเข้าใจสับสนนะว่านี่เป็นการใช้กรำรหรือไปคิดว่าเนี่ยพระติสานี่ท่านถูกตีเนี่ย เพราท่านกำลังใช้กรรมที่จริงท่านกาลังทําความดีนะ <_ letter> ก็ยอมทุกยอมเจ็บปวดนะ <_ letter> เพื่อช่วยสัตวนะ์นะเพงแต่ว่าท่านช่วยไม่สําเร็จเท่านั้นเองเพราะว่ากรเรียนมันตายนะโดนเตะตายนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของนายมณีการเขาทำกันเองนะอันนี้แล้เพราะนั้นเรื่องการทําบุญกับสัตว์เนี่ยการช่วยเหลือสัตว์นี่เราก็อย่าไปมองข้ามอย่าไปเบือนเฉยนะว่ามันได้บุญน้อยนะคนทําบุญที่แท้จริงไม่สนใจหรอกว่าได้บุญมากหรือได้บุญน้อยนะ้อยะขอได้ช่วยก็แล้วกันอ่ะเราก็เตรียมรับพร